ชีวิตในการภวนารักษาสำคัญมันคือสรัทธามีศัทธาสิ่งเองไปทำความจงรักภัดีเป็นสัทธาของศาสนาเองไม่ใช่ของพุทธศาา ศรัทธาในาสนามนุงย์เป็นสถธาในพระพุทคดสระท้าวโพธิสับส์สนัทาว่าพระส า, าคดเป็นมนุษย์ธรรมดาสาวน้นยผู้พัฒนาสติปัญญาจนเข้าถึงโพชิเป็นการตรัสรู้ได้พัฒนาที่โดดเป็นในศาสนา เราไม่ศรัทธาว่าพระเจ้าเป็นอขตานของพระเจ้านี้อหรือเป็นพระเจ้ามาแล้วัแต่ชั้นดูสิหน่อยรังสองคือกรรมศรัทธาเชื่อเชื่อมั่นในกฎของการทำถ้าเราทำดีนะแล้วคุณจะเชื่อเราเร า, เราคงได้รับผลดี ดีอยู่ในรูปองความเชื่อทากรรมไม่ดีก็จะได้รับคนตอบแทนดีแล้วก็สัตยานกบกบะปางสัตยานิบบะต่างนี้จะปอะกอบขึ้ับเราที่จริงแล้วสัตาน เป็นเป็นเรื่องศรัทธาในเรื่องของเหตที่ส่งผมนะพู่ชนะอีกครั้งหนึ่งว่าศรัทธาในศาสนานะั้นมีอะไรที่แตตา่างศรัทธาในศาสนะาพมน์ได้ตรงนี้ไม่ได้หมายว่าศรัทธาในศาสนาอืนะ่นั้น่ิตจะพมกิจการคือเนื่องจาก รากฐานต่างกันและการเลือกเน้นต่างกันเป็นศัทธาของฮินดูของคริสเตียนเป็นศัทธาแบบสวามพักจงรักภักดีเชื่อฟังยิ่งเป็นฮินดูแล้วสวามิภักอย่างยิ่ง สวามีพักเบลพักดีต่อสวมสดีสามีกันนิมิตนามของครูครูแล้วที่มัดูนี่ครับมีหลักที่สำคัญมากคือสิ่งที่ว่าครูประเสริฐครูประเสริฐนหมายว่าถ้าครูไม่ช่วยครูครไม่เจิมให้ไม่อาผ่านประตู สวรร์ันดังนั้นสรารนิสิตของฮินดูพระแรกของสรารนิสิตฮินดูสอบสวนหาครูทั้งชีวิตเพื่อจะหาครูด้วยาครูเท่านั้นจะทีประดูสวรรค์ส่วนของพระเจ้านั้นท่านไม่เชื่อในเรื่องครูประสิษย์ ดันระบบของพุทธเป็นระบบกัละยาณ์เนี่ยถือว่าครูเป็นเพียงกัละยาณ์นิดของสิทธสิทเป็นกั ล, ะกะละยาณ์นิดของครูในวาระสุดท้ายที่พระเจ้าจะลาจากโลกนี้ไปจะจากโลกนี้ไปพระอาหนุนพระสาวกคนที่ใกิที่สุดทูลถาม ผู้ที่จะมาสืบต่อตำแหน่งทำงานนี้ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าพระพุทธ เ, ธเจ้าทรงปฏิเสธท่านตรัว่าทำและ ว, วินัยที่เราสอนไว้จะเป็นศาสด า, า, า, า, า, าแทนเราการที่เราลงรับปากกำมือของเราไม่มี กำมือครูของเราไม่มีคำนี้ค่อนข้างจะหักเล็กน้อยสาวกศาสนาอื่นโดยเฉพา ะ, ะยิ่งฮินดูต้องเชื่อฟังครูจนมีนาที่สุดเท่าถ้าครูสั่งให้ตัวตายก็ต้องตายที่ครูสั่งให้ไปฆ่าคนเพื่อบรรลุธรรมแบบพระองค์ครีมาน ก, ก็ต้องทำแล้วครูนั้นจะขยับ คุมรู้ไว้ไม่สอนทั้งหมดคือใช้กำราบสิตธิ์ที่เกิดเสริมเกิมหรือาหางการเรียกว่ากำมือของครูุ้ทธศาส บ, บ้านแปลว่ามีที่เด็กที่ไม่บอกสิตริ์ไม่เช่นั้นสิทธิ์ก็จะสม้นไคส่วนพระเจ้านั้นท่านทำตัวเป็นกัละยาณมิตรกับประสาวกแต่ท่านระวาลนาให้ประสาวก ตักเตือนท่านได้ด้วยมี่หน้าแปกมากรนาระคอ้ยคอ้ยตักเตือนท่า น, นถ้าทิาทดทำไม่ถูกต้องสแสดงสิงใจที่แปกที่แปกจับทำดมิ้ขึนอกของทีู่พอมซึ่งถือภาษาศิปลป์จะต้องเป็นบุคคลซึ่จะต้องถ้าคุณจับว่า กำมือของครูไม่มีเสมอเราคือท่านไม่มีอะไรสอนท่านสอนหมดเลยไม่ขยับไม่ปกติไม่ดีเด่นศรัสถาของพุทธศาสนาคือเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้านี้เป็นปุถุชนธรรมดาเจ้าชายสิท ธ, ธิศากดิ์ไอาศัยสติปัญญาสามารถพัฒนาใจ่านว่า เกิดการรู้แจ้งแทงตลอดหักกรงล้อของสังสารวัตรก็ทำที่สุดทุกข์ให้ปรากฏท่ันการในช่วงที่ชีวิตที่เก่ากะถึงาพูดธจะต้องมั่นใจเพราถ้าเราไม่เชื่ออย่างนี้เราก็ต้องเชื่ออย่างอื่นเชื่อดวงเชื่อเชื่อฟลุก เชื่อว่าสงสัยว่ารอจนจีนเนี่ยสันหนึ่งแล้วไม่ต้องทำอะไรถึงวันหลานจะรู้ธรรมะเี่อย่างนี้ไม่ใช่ารัทธาแล้วเชื่อตกกรรมการทำการเชื่อึง่งใดนั้นมันหมายการสำรวจ ด, ด้วยที่เราต้องสำรวจกรรมของเรา พระเจ้าทรงตรับว่าบุคคลพึงส่องดำรรดูนเส ม, มือนหญิงสาวส่องกระจเพื่อสำรวจดูนอของตเราจะต้องเห็นการกระทำของเราอย่งเราเคลื่อนมือนี้เราต้องเห็นนี่ก็คือกรรมหรือเราคิดนึกแปบนี้คือกรรมเป็นการกระทำ ในคำพูดที่เราเราพูดออกไปแต่ถ้าเราไม่มีสติแล้วนแม้เราจะมีศรัทธาเป็ในใดเราไม่อาจสำรวจได้ทันเท่าที่เมื่อนักโบราณคดีจะขุดค้นสถานที่หนึ่งสถานที่ใด้าพวกขโมยขโมยหมดล้วน นันแสดงนะกรองดีสํารวจไม่ทันนันเรื่องของวัตถุแต่ถ้าเรื่องยิ่งเรื่องภายในจิตใจแล้วการสํารวจนั้นต้องทันทันเพราะว่าการทํานวณลับหลังไม่ใช่การสํารวจเช่นกิเลสเกิดเดี๋ยวนั้นต้องเห็นเดี๋ยวนั้นสมมุติกิเลสเกิดตอนเช้า แล้วมาเห็นว่าตอนเย็นนั้นที่จริงไม่ได้เห็นม น, นั่งคิดถึงกิเลสถ้าการเห็นในลักษณะที่ไม่ทันควันนั่นเองกับการปัญหาที่ซ้ำซ้อนคือจดจำความมีกิเลสของตัวเราสัททาของส่สนนั้นรอบอย่าง มีแก่นซอนทั้งลึกซึ่งอยู่เหมือนกันสถาที่นั้นเป็นการอิทิศพลังชีวิตทั้งหมดให้กับองค์พระบิเจ้า บุที่เก้ยกับสิ่งที่คิดเอาไม่ได้คิดเอาไม่ถึงนัก บ, บุญเปาโลที่เลวเซนตปอนครั้งหนึ่งเคยเป็นนักศึกษาฝ่ายโรมันก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนใจมาเป็นระษาวกลคองเยสูน ได้ร่วมือวางแผนข้าพรเยซูถือว่าพระเยซูหลอกลวงประากรเเพราะในเรื่องการฟื้นในความตายซึ่งคติวิปัญญาของกรีกโรมันถือว่าตายแล้วฟื้นไม่ได้ดเส้นเดียนที่เราเรียนในสามใบโอโลจี แต่ัางชีพหลังจากที่ปอนตกจากหลังม้าที่ในระหว่างทางที่ไปดามัสกัสเส้นปอนก็เปื่ตอนนั้นเขาชื่อซอเราได้ยินเสียงของพระพุทธเจ้าเห็นนมิตรของพระพุทธเจา้าหนึงตาหมืดบอดไปสามวันพอสว่างนิดนึีหนึ่งก็รู้สึกตั ว, ว เข้าถึงเข้าสนิทในองค์ผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นตอนเริ่มประกาศการชี้นจงความตายที่ครั้งหนึ่งเป็นคันตอนนั้นเองพูดว่าตอให้พูดคือพิโรมันแสวงหาปัญญาไปเถอเราจะแสวงหาพวกเราคริสเตียนจะแสวงหาแต่ความเชื่อในองค์เยอสูน ตอนนี้ถ้าเราฟังไม่เป็นนะครับไม่ไมันเจริญภานาเราเห็นว่าขัดกับพุทธศาสนานะถ้าเราเจริญภานาได้ดีเราเห็นสองสิ่งนี้แท้จริงคืออันเดียวกันการมองคนละ ม, มุมคนลแง่เท่ามั้นว่ากันว่าเมื่อนักบวชจากอินเดีย น, นะครับเดินทางที่เอเชี รูปวดรูปนั้นไม่มีโอกาสถกปัญหากับโสเกติในเรื่องปัญญาและความเชื่อเพราะที่โสกกติสบุญว่าถ้าไม่ใช้สติปัญญาจะเข้าถึงสิ่งสูงสุดไงอย่างนักพรต อ, อินเดียก็ไม่ได้บอกว่า ถ้าสิ่งสูงสุดไม่เปิดทางให้ท่านจะมีปัญญาได้อย่างไรสง่องครับที่ผมพูดข้อขัดแย้งนี้ถ้าถ้าพระเจ้าไม่เปิดทางให้ปัญญาท่านสูงเกิดได้อย่างไรฝ่ายนึ่งบอาจะเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างไรถ้าไม่ใา้สติ่ัญญาตรงนี้เองที่ผมพูดอยู่นี้นะครับ ในคืนแรกผ ม, มนึกกล่าวาวิธิทางแห่งวิทยาการสิ่งคณิตศาสตร์การคณิตคิชเชคคณิตนินรวมว่าศิลปวิทยาทั้งหลายหรือกระบวนการของวิจิตศาสตร์นั้นว่าด้วยการทวี การลดปริมาณสิ่งหนักแทนหรือสิ่งจงลากไปกระดีจากส า, ายพันที่พูดสองว่าผลไม้สามผลัว ก, กับผลไม้ที่ด้มีสองผลเท่ากับห้าผ ล, ลถ้าเน่าสี่หนึ่งผล เท่าเท่านี้เท่านั้นเมไม่ว่าบวกลบคูณหารเป็นการทวีและลดปริมาณแต่เรารู้ดีครับว่าการบวกลบคูณหารเช่นนี้สามคูณสองเท่าหกแต่ถ้าสามแทนเม่สามก้อน คูณได้ไสองก้อนอาจจะไม่เป็นหก็ได้มีตัวแปรเส้นลมโชคมาหรืออาจจะเป็นก้อนเดียวก็ได้หรืออาจจะเป็นศูนย์ก็ได้เพราะนั้นในกระบวนการทางชาตินั้นมีการเคลื่อนไหวตลอดแต่ว่าสามคุณสองเท่าหกั่นถูกมานความสอต้องมปนสิ่งที่จริงค่ะสองจริงหกก็จริงคัะถ้าสามไม่จริง คุณสองเข้าหกก็ไม่จริงแต่สามคุณสองเ่าัหกนันถูกต้องสกเลขคนิคง่ายๆนี้ครับที่ได้ขยายวงเป็นตะกั่วจียาร <c oughs> หรือการคาดคนีต่งๆนั้นแกนกลางของสีฟาวิญยานี้ว่าด้วยการทวีและลดปริมาณ แล้วโมดายที่เอาสิลปวิทยาเหล่านี้เข้ามาคำนวณถึงสิ่งสูงสุดซึ่งไม่ใช่ทั้งปริมาณและไม่ใช่ทั้งคุณภาพศิลปวิทยาการมันจล้มควมม่ำเพราะว่าแนวทางเขาเป็นแนวทางการเพิ่มและหักออกของปริมาณไม่รู้ฟังออก เป็นเราจะถามวา่าเจ้าคืออะไรผมเชื่อว่าไม่มีคําตอบที่แน่นอนสิ่งดีก็จะตอบว่าแล้วอะไรบ้างล่ะที่ไม่ใช่การแสดงออกขององค์เจ้าเรื่องนี้เราจะถามว่าอะไรคือธรรมชาติตอบยากมากแต่จะบอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติบ้างเหล่านี้ง่ายมาก ที่เรามา่พี่นาดูนะครับว่าธชาตินี่มัมีกฎกฎคล้ายๆกับกฎ3ามคูณสองพกบฏกฎของธงชาตินั่นคือกฎที่เป็นนิรันดร์นลยปัจจุบันนี้นักวิสิทยอมรับกันทั่วทั่วถึงมดแล้วจกวักรวรรนี้มีกฎธงชาติภายคุมกฎเดียว กดเก่งอยู่แต่ประกอบด้วยกดย่อยๆประสานสัมพันธ์อยู่และกฎเหล่านั้นเองที่ทุกบุคึงโดยพระพุทธเจ้าคือกดพระตรัยลั์ที่ทรงเรี้ยงเป็นตัวสัตว์แท้ที่จริงสิ่งของวงคูดนั้นไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับการภาวนาแต่เพื่อขยายทัศนนะให้เราให้เรา คิดอะไรอย่างโล่งะทุเราความสงสัยทางวิชาการาเราศึกษาผ่านป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทฤษฎีควอนตัมของฟังฟังได้สึกว่วา ควันจุ่มหรือสิ่งเที่ยวก้อนของ ส, สารมีหน่วยเล็กที่สุดโครงสร้าง ส, สารในหน่วยเล็กที่สุดเป็นเพียงมายาภา่อท่านันพรสุดนนมม่นี้เข้าภาพแม่ตอมมันวิ่งวนครบรอบแล้วมันจะตกลงในศูนกลางเป็นหน่วย เป็นดังซีมาดังนั้นเขาพิสูจน์ว่าโคงสร้างขอ ง, าของาศาสนาเล็กที่สุดหน่วยเล็กที่สุดเป็นเพียงสถานีแปลงไทยอะไรดีเป็นสถานีเท่านั้ น, น, นดังท่านเองมันมีเพรวาวะสิ่งเกิดแล้วก็สลายเกิดแล้วสลายเกิดแล้วก็สลายเป็นสิ่งนี้ มันโครงสร้างศาสนาในส่วนย่อยจุดเป็นที่นี้แล้วเช่นดียกับโครงสร้างของตกวันเช่นดีกับโครงสร้างสภาวะที่เราเป็นอยู่ผมเคยไดูด окумент ที่นี้ที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์สอดเครื่องส่งตัวรับเข้าไป เส้นเลือดของมันพร้อมขยายภาพและขยายเสียงามาก่ากลัวมกักเมตรหิตชนดังสะเทือนรื่นลัล่นถ้าดูไปแล้วสภาวะทั้งหมวนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวอะไรของเราแต่ว่าแล้วแล้วแล้วลองเขาเรียกว่าตัวเราจนได้